ตะีนี้เราได้พูดกันเรื่งเรื่องเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อมันมีหลายชนนีเปลี่ยนเสื้อดีเป็นเสื้อขาดต <c oughs> รงนีเราะวังให้ดีนะเออเปลี่ยนเสื้อคนเอาเสื้อสัตว์มาใส่ก็มีนั่นะระวังออาที่เรานั่งอยู่เวลานี้นะสมมุตินะมันจะน่าขยะกขยัข่ยงไหม เรานั่งเวลานี้เราใส่เสื้อมนุษย์เดี๋ยวไปเอาเสื้อหมามาใส่เขาแล้วยุ่ ง, ง น, นั่นนี่เราต้องคิดการพูดชนี้กรุณาอยจะถือว่าเป็นการต่ําเป็นความต่ําเป็นเรื่องความจริงที่เอามาเทีเยบเทียงให้ทราบว่าความสูงความต่ําเกิดจากความดีและชั่วที่มีเหลืล่ยมน้ําต่ำสูงต่างกันภันธกิจใจของสัตว์โลกเราจึงต้องเทียบให้ฟังเนี่เราเทีเยบใกล้ๆนี่มันก็น่าขยะกขยงแล้วแล้วเรื่องมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าหากว่าเรา ประมาในตัวเองเคยสูงแล้วมันจะต่ําลงไปได้เคยดีแล้วมันชั่วลงไปได้นะ่ะฉะนั้นเราพยายามที่จะให้ดียิ่งกว่านี้ขึ้นไปโดยลําดับถ้าเปลี่ยนเสื้อกอ็เปลี่ยนเสื้อที่ราคาเท่านี้ขึ้นราคาเท่านั้นเสื้อคุณภาพมันเป็นอย่างนี้ลเลื่อนคุณภาพมันโดยลําดับตามคุณภาพของจิตเราที่ดีมากน้อยนั่นแหะคุณธรรม คุณคุณภาพคุณธรรมที่มีอยู่ภายในจิตใจนั่นแหละเป็นเหตุที่จะทําให้เปลี่ยนสภาพขึ้นไปเรื่อยๆถ้าว่าคุณธรรมไม่ควรมีมันก็เป็นปาปาธรรมนั่นเขาแช่อยู่ภายในจิตก็เปลี่ยนลงไปเรื่อยๆนะเปลี่ยนเสื้อดีเป็นเสื้อขาดไปแหละเปลี่ยนะเปลี่ยนเสื้อคนเป็นเสื้อสัเป็นเสื้อเปรตเสื้อขีเป็นไปได้หมด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 จากสติที่ล้มลุกคลุกคลานจากปัญญาที่ล้มลุกคลุคลานนี่แหละค่นมิสอนให้อบรมคุณสอนให้บำรุงสติโดยลำบับนี่พวกเรามันอยู่ในฐานะที่จะต้องเปลี่ยนเสื้ออย่างที่ว่านั้นเพราะกฎบังคับมีอยู่ภายในใจแม้ตัวเองจะไม่รู้ก็ต า, ามกฎอันนี้เป็นสิ่งที่ลึกลับ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 แต่เราไม่สามารถที่จะทราบสิ่งลึกลับที่มีอยู่ภายในตัวของเราจรึงเป็นเหตุให้เกิดความประมาทนอนใจไม่ระมาัดระวังโดยเข้าใจว่าสิ่งนั้นไม่มีบ้างทั้งๆที่ท่านผู้รู้ท่านก็บอกว่ามือสิ่งนั้นเป็นภยัยแล้วเข้าใจว่าเป็นภัยบ้างทั้งๆที่สิ่งนั้นเป็นภัยมีอยู่ภายในใจของเราด้วยเนี่ยทําให้ประมาทนอนใจแล้วเกิดแล้วเป็นความไม่สนใจด้วย แล้วเป็นความเข้าใจดียิ่งกว่าท่านผู้รู้อีกด้วยเรารู้เข้าใจว่าเรารู้ดียิ่งกว่าท่านผู้รู้ด้วยทั้งท่านที่โง่ที่สุดแหมมันก็อยู่กับคนโง่นี่แหละที่อวดตนว่าฉลาดพูดที่ฉลาดจริงๆแล้วท่านไม่อวดคนโง่มักอวดฉลาดเสมอไม่ว่าใครๆมักอวดนี้เราพูดในเรื่องของธรรม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 สอนพวกเราก็นําเรื่องของพวกเราออกมาสอนแบบแม้จะยกเรื่องของผู้ใดขึ้นมาสอนก็ตามเรื่องนั้นเป็นอย่างเดียวกันเห็นความโลภนี่พระพุทธเจ้าท่านต้ ง, ตงแสดงถึงเรื่องความโลภความโกรธความหลงท่านจ ะ, ะแสดงเรื่องของบุคคลใดก็ตามก็คือเรื่องของเรานั่นแหละสําหรับเราผู้ทั้งใจจะศึกษาเพื่อขอเพื่อสอนเพื่อส่งเสริมสิ่งเหล่านั้นเป็นของที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราด้วยกันทั้งนั้นไมาใช่นั้นพระพุทธเจ้าสอนโลก ถ้าไม่ได้มุ่งต่อบผู้หนึ่งผู้ใดผู้ที่ไม่ได้มุ่งไม่ได้ถูกมุ่งนั้นก็จะไม่ได้รับสำเร็จมาผลนิพพานอะไรได้เลยหากจะสําสเร็จก็หรือได้ผลในประโยชน์ก็จะได้เฉพาะผู้ี่พระองค์มุ่งอ่ะเรายกตัวอย่างอย่างนี้แต่นี้ทําไมเวลาประธานพระาว่าแต่ละครั้งๆพรากฏว่าได้รับผลประโยชน์ตลอดถึงบรรลุมาผลนิพพานมีจำนวนมากมายหลายกองเพราะเหตุไรจึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะเรื่องความจริงเหมือนกัน แสดงเรื่องความจริงออกมาเป็นกลางๆเท่านั้นใครก็โอปัญยิโกคือน้องเขาไปสู่ตัวท่านพูดถึงเรื่องโลกความโลกของเราก็มีเนี่ยพูดถึงความโกรธความหลงต่างคนต่างมีพูดถึงเรื่องละความโลกความโกรธความหลงต่างคนก็ต่างพยายามละเน่เพราะเทศให้รู้สอนให้รู้ต่างคนต่างมีความรู้อยู่แล้วและก็สนใจฟังด้วยทําไมจะไม่รู้น่า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 ทำไมจะไม่ทราบว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งสอนหรือตำหนิติเตียนนั่นมีอยู่กับใครถ้าไม่อยู่กับพวกเราที่มีกิเลสนี้น่ะแต่เมื่ออยู่กับพวกเราแล้วเราทําไมว่าไม่ทราบว่าอันไหนเป็นกิเลสถ้าทราบว่าอันอันนั้นอันนั้นเป็นกิเลสกิเลสเป็นภัยเนี่ขาจะต้องมีความกลัวมีความขายาข่ยแยง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 <Hey. S 2> เปลี่ยนเสื้อเรื่อยๆเอาจนไม่ต้องถึงเสื้อทันสมั ย, ยเลยไม่ต้องไปหามาจากเมืองนอกเมืองลาที่ไหนกันสิ่งใดส่วนส่วนหน้าเขาเป็นทันสมัยแล้วก็ต้องออกมาจากเมืองเขาเมืองเราไม่มีเพราะเหตุไรมันถึงไม่มีหน่าคิดอยู่มากนี่สติปัญญาเราก็พอมีมือเท้าเราก็พอมีทําไมมัน มันถึงไม่ทันสมัยมันไม่ทันที่หัวใจของกิเลสนั่นเองเง่ายง่ายถ้าจะพิจารณาตามเหตุตามผลวยแล้วมันทันแล้นกันอา่าหรือยนเข้ามาภาณีอีกเพื่อให้ทันสมัยนั่นคืออะไรเปลี่ยนเรื่อยเรื่อยด้วยสติปัญญาคือเปลี่ยน อ, อารมณ์ส่วนยากด้วย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 จะทราบขึ้นมาโดยลำดันแบบนี่วันนี้จิตชักยุ่งหนักแต่ก่อนมันก็ยุ่งอยู่แล้วแต่เราไม่ทราบแต่พอเราปฏิบัติภาวนานะชักยุ่งนะจิตชักยุ่งแล้วจิตกระทบกระเทือนอะไรไเร็วอะไรมาสัาผัสคอแต่กระทบกระเทือนคือแต่ก่อนคอไฟมันเป็นหลังหมีมันดำหมดมันไม่รู้อะไรมาถูกมันก็ดําไปด้วยกันไปหมดมันมันดำเมื่อเต็มที่อะไรมาถูกมันก็ดํำไปหมดแต่พอมี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 อย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาสัมผัสจิตต้องนั้นนําสิ่งนั้นนั้นมาคุ้มคิดต่างๆจนเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาใจก็ทราบว่าวันนี้ใจไม่สะดวกใจมีสิ่งนั้นเป็นอารมณ์สิ่งนี้เป็นอารมณ์ก็ทราบน่ะความทราบทีนี้แหละเป็นสักขีพยานหนึ่งแห่งการปฏิบัติของเราที่จะทําให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ให้มันทราบได้รวดเร็วยิ่งกว่านี้และแก้กันได้อย่างรวดเร็วเพียงขั้นความสงบของจิตมันก็ทราบนะ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 อพูดไม่ถูกมีความดูดดื่มในความสงาาพพ่าผ่าเผยในความผ่องใสในความสงบสุขของตนไปเรื่อยๆนี่เพียงเท่านี้เราก็ทราบพอทราบได้แล้วว่ารสแห่งธรรมคือความสงบนี้เหนือรสทั้งหลายอยู่แล้วอะแต่ยิ่งได้มีการชำระขึ้นไปโดยลําดับความผ่องใสนี้กระเจาเตียนสภาพไปเรื่อยเตียนขึ้นสูงเรื่อย มือนกับเราเปลี่ยนเสื้อขึ้นเป็นเสื้อทันสมัยนั่นเองเปลี่ยนเรื่อยๆไปอย่างนั้นความสงา่าผ่าเผยก็เปลี่ยนอาการเข้าไปเป็นความละเอียดเข้าไปอีกที่เพูดถึงว่าสวยงามก็เปลี่ย น, เ ป, ยนเปลี่ยนไปตา ม, ตามกันหมอดจนกระทั่งถึงความอัศจรรย์อัศจรรย์ก็เปลี่ยนอัศจรรย์แค่นี้อัศจรรย์แค่นั้นแต่ประหลาดแค่นี้แตกประหลาดแค่นั้นในขั้นของจิตจนกระทั่งถึงเป็นความอัศจรรย์ยิ่งเลยสมมติทั้งหลายไปเลย นั่นนั่นความอาจารย์อันนั้นเป็นความอาจารย์นอกสมมุติอีกเพียงความคั้นอาจารย์ในสมมุติมันก็ยิ่งกว่าความอาจารย์ทั้งหลายในโลกนี้แล้วเพราะนั้นเราควรจะทราบว่าสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดในโลกนี้ก็คือความรู้แนใจใจของเราควรจะรับการเหลียวแหล่ <Okay. S 1> เช่นเดียวกับอิทธการหรือวัตถุสมบัติอื่นๆในอย่างน้อย แลยิ่งอยู่ในวัยเราที่จะต้องทราบจากผลแห่งการบวกรบความเป็นมาของเราและเป็นไปข้างหน้าด้วยแล้วก็ยิ่งจะให้เกิดความสนใจต่อคุบัติคือใจนี้มากขึ้นและเกิดความสนใจทางการป พ, รพัฒนาปฏิบัติการรักษาตัวเองการอบรมตัวเองให้มีน้ำหนักมากขึ้นโดยลําดับลำนับยิ่งกว่างานอื่นใดที่เคยผ่านมาแล้ว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 เวลาจะเป็นจะตายเราคิดไปก็ไม่เดือดร้อนเพราะอันนี้เองเป็นตัวประกันแห่งการเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติไปสู่ภพใดแดนใดหรืออยู่สถานที่ใดจะได้เสวยผลเช่นไรก็บอกอยู่แล้วในผลซึ่งขณะที่รับอยู่รู้อยู่เวลานี้เนี่ยอยู่กับอันนี้ทราบแล้วรไม่เดือดร้อนไม่เสียใจเพียงเท่านี้ก็เรียกว่าวเราได้ความมั่นใจ สมบัตินี้เป็นที่เป็นที่แน่ใจสมบัตินี้ไม่หลอกลวงสมบัติทิ้งนี้เป็นสมบัติที่ติดตัวคือติดขับใจไม่เหมือนสมบัติอื่นๆซึ่งมีความดีใจในขณะ น, นี้แล้วก็เสียใจในขณะต่อไปคือต้องมีการพับท่าจากสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างทันว่ายำปิดั้ำนรปฏิตทำปิดทุกขังปราถนาไม่สวังก็เป็นกุกภพได้มาแล้วก็เวลาพับค่าจากทันก็เป็นทภพอีกแต่ สมบัติที่ว่านี้ไม่เป็นเช่นนั้นตรงข้ามแนบกับตัวไปเลยเนี่ยที่ว่าสมบัติที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทแก่บรรดาศัตว์ก็เพื่อจะให้นำโอวาทนั้นๆเข้ามาปฏิบัติต่อจิตใจที่เป็นสมบัติสาคัญ น, นี้ ให้เด่นขึ้นภายในตัวเองแล้วให้เป็นเจ้าของสมบัติอันนี้แล้วจะเป็นที่ภาพภูมิภายในจิตใจทั้งปัจจุบันคือเป็นอยู่เวลานี้และอนาคตที่จะเปลี่ยนสภาพนี้ไปสู่พบหน้าจิตนี้จะไปอย่างสง่าผ่าเผยไปอย่างมีเหตุมีผลมีธรรมเป็นเครื่องบำรุงรักษาดังที่ท่านสอนไว้ว่าธรรมโให้วรัก ฮเวรคติธรรมใจผู้ทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมทำที่ไหนมารักษาเราเอาเราคิดดูตรงนี้ทำในกคำพีนั้นเหรออทำในหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้เหรอเราเรียนทำมาจากนั้นมาปฏิบัติตัวเองจนปรากฏผลขึ้นมาจากการปฏิบัติปฏิบัติตัวเองเพราะได้ศึกษาจากทำในตำหนักตำนานั้นทำอันนี้แหละที่ปรากฏเป็นผลขึ้นมาจากการปฏิบัติของเราประจักษ์อยู่ภายในใจนี้แหละ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 ส่งเสริมสมบัติอันนี้ให้ได้ประจักษ์อย่างน้อยให้เป็นความเย็นใจเถอะอันนี้เป็นที่แน่ใจที่สุดเป็นที่ตายใจได้จริงๆเพียงจิตใจมีความสงบเท่านั้นก็ปรากดเป็นความเย็นใจขึ้นมาแล้วเป็นหลักขึ้นมาอันหนึ่งในพยายามอบรมขึ้นเรื่อยๆความสงบนั้นมีเป็นรลกเป็นฐานมีความมั่นคงในละเอียดลออก็เป็นลำดับๆยิ่งเป็นความมั่นใจ ส่าหลักผู้ปฏิบัตินั้นๆเอาเพรานพิจารณาทางด้านปัญญาเพื่อจะเบิกสิ่งที่ปกคลุมหุ้นห่อภานจิตใจนี้ออกอะไรมาปกคลุมกอความยึดมั่นถือมั่นความสําคัญผิดของตนเองนั่นแหละกลับมาเป็นภัยแก่ตัวเองมาปกคลุมจิตใจแทเองความสํำคัญมั่นหมายความติดยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเพราะไม่รู้ในสิ่งใด จึงต้องยึมมั่นถือมั่นเนี่ยทา่านจะแสดงออกไป่ังภายนอกของมากมาย ก, กับกองรูปเสียงกลินรสเครื่องสัมผัสเนี่ยนี่ผู้คงกว้างนั้นนี่รูปรู ป, รปอะไรเราแยกขยายไปเต็มโลกเต็มมังสารรูปหญิงรูปชายรูปพัะดุสิ่งของสมบัติเงินทอง น, นั้นเรียกว่ารูปทั้งนั้นเนี่ยเสียงเสียงอะไรเอาว่ากนันไป เ, นเหล่านี้แหละที่จิตไปสําคัญมันหมายกับสิ่งเหล่านี้ แล้วสร้างความติดบังให้ตัวเองโดยม่รู้สิตัวความสาคัญ น, นี่แหละมาปกคลุมหุ่นหอจิตใจแห่มืดมีปิดตาไม่ทราบความจริ ง, งกับของสิ่งเหล่านั้นเพราะไม่ทราบความจริงของจิต ท, ที่ไปหลอกลวงตัวเองนี้เนี่ยท่านจึงถอนพิจารณาภายนอกรูปเสียงกิ่นรสเป็นต้ น, นด้วยสติปัญญานี่ก็เป็น ป, ปัญญาท่านหนึ่งที่จะถอนตัวออกมาจากสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ย้อนเข้ามา ถึงสิ่งสำคัญที่ติดแน่จะกับตัวของเราที่เราถือว่าเรามาตั้งแต่วันเกิดผมก็ของเราผมก็เราขนก็เราเล็บ ก, ก็เราฟันก็เราเมื่อหนังกระดูกทุกสิ่งทุกชิ้นภายในร่างกายนี้ว่าเป็นเราและเป็นของเรานี่อันนี้เป็นสิ่งที่ติดแนบมากทีเดียว ติดกับใจจนแยกกันไม่ออกถ้าไม่แยกด้วยสติปัญญาดังที่อธิบายอยู่วันนี้ท่านเรียกว่าปัญญาเพราะจะมาแย ก, แยกเแี่ยเเพียงรูปนั้นที่รวมแล้วเป็นกายนี่นี่มันก็ติดฝังกับใจแล้วเป็นอันเดียวกับใจใจกับนี้ว่าเป็นเราเราก็เป็นใจใจเป็นอันนี้เอ่ะมันเป็นอันเดียวกันเรียกว่าเราโดยความรู้สึกภายจิตใจของสามัญชนทั่วไปเป็นอย่างนั้น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 อะไรกันเราจําความจําเป็นของเราเนี่ยสางจิตทังขานเราคิดเราปรุงดีชั่วก็เป็นเราเ อ, อคิดันยุ่งจนแทบล้มแทบตาเพราะความคิดมันก่อความวุ่นวายก็ยังว่าเรี ย, ว, ยว่าเป็นเราเห็นไหมละ่ะมันหลงอย่างนี้เองวิญญาณนับภาพอะไรเป็นเราทั้งหมดเ อ, อได้ยินอะไรแล้วเ ร, เราได้ยินถือเอาคำว่าได้ยินนั้นเป็นของเราเข้ามาอีกมากองอยู่พาย น, นจิตจิตจึงแย่อะไรก็ขนเข้ามาอะไรขนเข้ามา ปลอมเท่าไหร่ก็ขนเข้ามาให้จิตแบบกจิตรแบบับจิตถามหุ้นไปหมดแล้วจะไม่ทุกข์ยังไงนี่แหละสิ่งปิดบงังจิตใจสิ่งกดขีบ่บังคับสิ่งทับถมจิตใจสิ่งเสียบแทนจิตใจคือความหลงของใจเองแบบกว้านสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเป็นภัยแก่ตัวเองประชาชนจึงต้องใช้ปัญญาเป็นผู้บึกบุกเบิดหรือเป็นผู้แยกแยะให้เห็นตามความจริงอ่ารูป รูปังอ น, นิจจังนั่นคอรจะแยกเลยนะมันไม่เที่ยงรูปังอนัตตาเอาสรุปไปถึงอนัตตาเลยเออ น, นิจจังก็ทุกข์ขังมันก็ทุกข์ก็เห็นกันอยู่แล้วอนัตตาถือเอาเป็นตนที่ไหนฮฟังแต่ว่าอนัตตอนัตตาอนัตตาอ น, าตาอนาัตมันไม่ใช่ทั้งนั้นเรายังจะฝืนความไม่ใช่ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอยู่เหรือนี่ปัญญาใช่ยอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงแท้แทําไมจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้ารูปังอนัตตา นะเรา่องนี้ถือว่าเป็นอัตาอตาตาเป็นตัวเป็นตนอยู่เหรือท่านผู้รู้แท้ๆเป็นผู้สอนเราทําไมเราไม่เชื่อเล่กลากาจะพูดทางธรรมสนากระชามิไปทําไมเมื่อเราไม่เชื่อคําว่ารูปปังนอนาตตาเวทนาอนาตตาสัญญาอนาตตาสังขารอานาตาวาิญญาณอนาตตาไปอานาตตาทั้งสิ้นนี่เรายังจะถือว่านี้เป็นเราเป็นของเราอยู่แล้วเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าไปทําไมเนะล่ากลา่าถึงมุขเจ้าพระธรรมประสงค์ว่าเป็นธท น, นะมีความหมายอะไร ถ้าราจะมาเชื่อควา ม, วามจริงคือทำที่พระองค์ประทานไม้นี้ว่าเป็นความจริงตามที่ประทานไว้พจรละความจำความของตนเองให้เห็นตามความจริงทังท่านว่านี่แหละเรียกว่าปัญญาแยกแยะอย่างนี้พระพุทธเจ้า ว, ว่าอย่างนั้นนึความเห็นเราว่าอย่างนี้เอาแยกลงไปให้เห็นตามความจริ ง, งอ น, ตอ น, ตอนตัตตาอนัตตาปฏิเสธตลอดเวลาถ้าเป็นภาษาเราเขาเรียกว่าตีข้อมือไว้เดี๋ยวมันเอื้อมไปจัานู้นเรียกเอื้อมไปจับนี่ท่านตีข้อมือไว้อย่าไปจับยาไปแตะต้องไฟไฟว่างั้น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 รูปเป็นไตรลักสัญญาเป็นไตรลสังขารเป็นไตรลกิจยานเป็นไตรลให้เห็นว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นความจริงกันหนึ่งนหนึ่งให้รู้แล้วถอนตัวเข้ามาอยู่เป็นอิสระอย่าไปยุ่งอย่าไปแบกไปหามนี่เรียกว่าปัญญาค้นดูให้มันชัดเจนเมื่อมันพิจารณาสิ่งเหล่านี้รอบตัวหมดแล้วมันไม่ไปไหนมันจะหมูนทิ่วเข้าไปสู่จิตตัวล่มหลงสําคัญนั่นแหละนั่นละบ่อแห่งอวิชชาบ่อแห่งความเกิดบ่อแห่งความเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนแสงเปลี่ยนพวกเปลี่ยนชาติเตี่ยนอยู่ที่ตรงจิตนัะ อ้ า, อาชสติปัญญาค้นเข้าไปทำลายมันรังของวิชามันอยู่ที่จิตฝังในูที่จิตแยกเอ่ยหมดแล้วโดวยสติปัญญาทางฝ่ายขันย้อนเข้าไปถึงอวิชชาปัจจยาสร้างข้าระวิชาปัจจยาจริงๆมันมาจากไหนใครเป็นอวิชช า, าทำมใช่ผู้ที่รู้ซึ่งเต็มไปด้วยความหลง ฝังอยู่ภายในตัวเองนั้นปัญญาสอดแทรกเข้าไปพิจารณาเข้าไปให้เห็นธรรมชาติอันนี้คืออะไรมันก็ไตรักดีๆท่านเองตัวขีดเดียดธนาวิชาก็าดีจะเป็นอะไรฮะ่ถ้าพิจารณาตรงนี้ตอนนี้เดียวกับพิจรารณาจิจเป็นใจรักเช่นเดียวกันไม่ผิดเ้าจะถือว่าเป็นตนแล้วเอาเรากินปลาทั้งกล้างแล้วฮะกินไก่ทั้งกระดูกระหว่างไงกินข้าวทั้งเปลือกแล้วแล้วไม่ อ, ออกทำไม่เลือก ถือว่าจิตเป็นไตรลักษณ์ในตอนนั้นคือจิตมีสิ่งที่เป็นไตรลักษณ์ครอบงำอยู่นั่นแหะเราจะถือว่าจิตเป็นตนในขณะนั้นมันถือไม่ได้เพราะต้องพิจารณาตรงนั้นให้มันเห็นความจริงของไตรลักษณ์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตเราเห็นแต่ความแต่ไตรลักษณ์ที่มีอยู่ตามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่เราไปเห็นไตรลักษณ์คือธรรมชาติอันละเอียดมากแห่งสมมุติมันฝังอยู่ภายในจิตจึงต้องพิจารณาจิตเช่นเดียวกับพิจารณาอาการทั้ง5้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เป็นไตร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 ในขณะที่กิเลสอาสวะทั้งหมดสิ้นสุดไปจากใจขม่าใจรักภาในใจจริงหมดไปเรื่องอะไจังทุกขังตาตามภายนอกก็ตามภายในก็ตามตามรูปเสียงกลิ่นรสกลองทั้งดรูปเวชนาสัญญาสังขารมยังก็ตามหมดปัญหาไปหมดเมื่อจิตได้พ้นจากสมมุติแล้วอะไรไก็เป็นความจริงไปหมดไม่มีอะไรเป็นปัญหาต่อใจเลยเพราะใจไม่สร้างปัญหาขึ้นไปกเอง เนื่องจากกสิปัญญารู้รอบขอบคิดทันนี่เรียกว่าเสื้อที่ทันสมัยฮทันสมัยที่สุดเปลี่ยนให้เปลี่ยนตรงนี้เราไม่ต้องไปหาเปลี่ยนที่ไหนอีกเปลี่ยนตรงนี้แล้วเท่านั้นไม่ต้องไปหาตัดที่ไหนมาเย็บมาย้อมมายุ่งวุ่นวายอปเปลี่ยนเสื้อนี้ไปเปลี่ยนเสื้อนั้นเอาเสื้อตัวเดียวให้พอ้ใฮะนิพานนางประมังสุ ข, ขังนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็เสื้อทันสมัยอย่างยิ่งนั่นเองะ นิพพานังปรมังสุญยังสุญจะสย์ไปเถอะขอให้ทนาเสื้อทันสมัยนีเป็นที่พอใจฮะพอใจไหมเอาละเทศตอนนี้ยังตอนนี้เอวัง